กราบบูชาพระตนาตรักรกาบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบครวะพระอาจารย์วัฒนชัยเพื่อนสาตรมิกเจริญพรมาอย่างแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งตามปกติเนาะก็เป็นธรรมเนียมนของที่นี่ หลังจากที่เราได้สาธยายมน์นะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยน้อมระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็เป็นต้นแบบนะที่จะให้เราได้เดินตามในการที่จะเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะพระธรรมก็เป็นสัจธรรมความจริงนะที่มีอยู่ นะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถจะเรียนรู้ได้และก็ประสงค์ก็คือผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามนะที่จะเข้าไปเรียนรู้ศัจธรรมความจริงนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ร่วมกันนะไหว้พระสดมนแล้วก็สาธยายมนนะเป็นการทบทวนนะสิ่งที่พระพุทธองค์ได้กล่าวได้สอนไว้ นะตั้งแต่ 2,600 ปีที่แล้วซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยนะก็คงจะเน้นตรงที่ให้เราเนี่ยกลับมานะเรียนรู้กายใจของเรานั่นเองนะเรื่องของพุทธศ า, าสนาไม่มีเรื่องอื่นเรื่องไกลเพียงแต่ว่าสับแสงที่ใช้อาจจะแตกต่างกันออกไปนะทีนี้ที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็ถือว่าเป็น โอกาสดีนะที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันนะเป็นชีวิตแห่งการศึกษาแต่ไม่ใช่เป็นการศึกษานอกตัวนะเราอยู่ในสังคมเราอยู่ในโลกนะที่ผ่านมานะส่วนใหญ่เราก็เรียนรู้เรื่องข้างนอกนะเรื่องสังคมเรื่องภูมิอากาศเรื่องการปกครอง เรื่องการอยู่ร่วมกันเรื่องการทรมาหากินนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะในการที่เราจะเลี้ยงชีวิตนะในส่วนของร่างกายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมซึ่งก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะก็ได้ผ่านประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้มาพอสมควรเราได้เรียนรู้ วิชาการต่างๆมากมายนะที่จะทำให้เราสามารถเลี้ยงตัวเราเองได้นะในส่วนของร่างกายแต่ในส่วนของจิตใจนะก็ยังมีข้อสงสัยยังมีปัญหาอยู่ขณะที่เราทำหากินมีชีวิตยอยู่ในโลกนะบางทีเราก็ยังมีความรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มยังรู้สึกขาดแคลน บางทีทํางานไปก็มีความเครียดมีความเบื่อหน่ายนะซึ่งมันก็เป็นปกติธรรมดานะของคนที่ทํางานอยู่ในโลกนะซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่เนี่ย <c oughs> มันยังไม่เพียงพอมันยังไม่สามารถตอบสนองนะความต้องการของจิตใจได้นะซึ่งตรงนี้เราก็ เหมือนกับเจ้าชายศิทธะนะเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วนะที่อยู่ในพระราชวังมีความสุขสบายนะมีสิ่งบำรุงบำเรอนะอย่างเต็มที่นะซึ่งชาวโลกทั่วไปก็อิจฉาละนะว่ามันเป็นความสุขที่โอโหเหลือล้นแต่ความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีจุดอิ่มตัวของมันเหมือนกันนะบางทีเราก็ไม่ สมอากนะเรียกว่าสุขไม่สมอยากก็มีบางทีก็สุขสมอยากก็มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขที่ได้จากการเสพนาะเสพตาเห็นรูปนะหูฟังเสียงจนะจมูกดมกลิ่นลิ้นดิ้มรสกายสัมผัสนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสังเกตดูมันมีทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดความ พอใจไม่พอใจทำให้เกิดความยินดีหรือไม่ยินดีดูวพ่อยิ่งยิ่งรสอร่อยนที่เราได้จากการเสพเนี่ยเราก็จะไฝ่หานาเรียกร้องนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนาซึ่งชีวิตของคนที่เสพติดกับรสอร่อยนาจากการสัมผัสทางรูปเสียง กินลสสัมผัสต่างๆแล้วเนี่ยนะ่าจะเห็นได้ว่าเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนนะเป็นความสุขที่ต้องแปลเปลี่ยนไปเมื่อด้ก็ตามที่เราเกิดความชอบใจเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมจะเกิดสิ่งที่เราไม่ชอบใจขึ้นมาเอาง่ายๆแค่ลดอาหารเราคุ้นกับอาหารที่เราชอบนะ แล้วมีอยู่บางวันอาจจะเจออาหารที่เราไม่ชอบขึ้นมานะความชอบเนี่ยนะมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความไม่ชอบขึ้นมาได้นั่นก็คือเกิดความติดอกติดใจขึ้นมาซึ่งความติดอกติดใจนี่แหละภาษาบาเลีเขาเรียกว่ากามนะกา ม, มาสุขนะเป็นความสุขที่ได้จากการที่เราไม่รู้เท่าทันนะไม่รู้เท่าทันในการเสพเสพทางตาเสพทางหู เสพทางจมูกเสพทางลิ้นนะโดยเฉพาะลิ้นเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เราจะติดได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีสตินะเราไม่รู้เท่าทันกลกไกลของธรรมชาติตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเผลอไปพอใจไม่พอใจและเมื่อเราพอใจแล้วมันก็จะเกิดความเคยชิน นาเคยิที่จะพอใจนาแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบนาซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้จิตใจที่เป็นปกติของเราเนี่ยมันเสียความเป็นปกติไปโดยธรรมชาติของจิตใจนั้นนาจะเป็นสภาพที่เป็นปกติอยู่อย่างขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้นาถ้าสังเกตดูเข้าไปนาในตัวเรา นะแลาเห็น ว, จวจ่จิตใจเราก็ปกติเฉยๆไม่โกรธไม่โลบไม่หลงนะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่เมื่อไรก็ตามมันมีสิ่งที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนะีนะ่ยบางอย่างก็พอใจไม่พอใจนะใจมันก็เสียความเป็นปกตินะซึ่งตรงนี้ถ้าเราเผลอ เมื่อไหร่ก็ตามเราก็จะพัดหลงนาะไปในความพอใจไม่พอใจหรือนะพัดหลงไปในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นชีวิตที่ไร้สติหรือว่าชีวิตที่มีสติไม่บริบูรณ์เนี่ยจึงเป็นชีวิตที่ระหกระเหินนะเป็นชีวิตที่ไม่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจเนะีมันก็จะล่องลอยไปในอารมณ์ นจนไปในอารมณ์ต่างๆหรือว่าล่องลอยไปในความคิดปรุงแต่งต่างๆนะซึ่งชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะเป็นชีวิตที่เราเอ่อเราหกละหนินนะแล้วเราก็ต้องไปอาศัยวัตถุภายนอกนะมาเป็นเครื่องบำรุงบำเรอนะเวลาเราเครียดนะเวลาเรากลุ้มนะเราก็ไปหาสิ่งเอ่อบำรุงบำเรอข้างนอกนะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน เล่ายาปาพิ้งสิ่งเสพติดต่างๆนะหรือว่าสิ่งบันเทิงเริงรมต่างๆนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนะี่ยไม่ได้เห็นความทุกข์ที่แท้จริงนะเขาเรียกว่าการกลบเกลื่อนไปวันๆนเป็นชีวิตที่กลบเกลื่อนนะเป็นชีวิตที่ไม่กล้าเผชิญกับความจริงนะเพราะว่าชีวิตที่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะมีความมีความทุกข์ นะมีความสุขจริงๆสุขเนี่ยนะมันก็เป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเหมือ น, นกันมันเป็นสุขที่แปลเปลี่ยนเป็นทุกข์ได้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เพราะนั้นจริงๆแล้วเนะี่ยน่ะมันไม่มีสุขหรอกมันมีแต่ทุกข์เพียแต่ทุกข์ทุกมากหรือทุกน้อยนะเท่านั้นเองทีนี้ความทุกข์เนี่ยนะนะระยะที่เรามาอยู่ปฏิบัติที่นี่เนะี่ยสองวันสามวันเนะี่ยเราจะได้เห็นทุกข์จริงๆนะริงะโดยทฉพาทุกข์ทางตาย เดิมากๆ ก, ก็เมื่อยปวดบางคนปวดหลังบางคนปวดเอวบางคนปวดน่องนะบางคนมึนหัวนะนี้เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ทางกายนะเส้นตรงนี้เนี่ยเราก็แก้ไขบรรเทาได้นะเดินมากเมื่อยเราก็นั่งพักก็ได้นะถ้าเรามึนมากๆอาจจะเพ่งจองไปข้างในเราก็มองออกไปข้างนอกบ้างนะงก็ต้องแก้อารมณ์การรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ย น่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะการที่เรามาทำความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นเทคนิควิธีการที่ตรงไปตรงมาที่สุดน่ะโดยที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะเรายกมือเราพลิกมือเรารู้สึกกับการพลิกกับการยกนะเพียงแค่รู้สึกกับการเคลื่อนเท่านั้นเองตรงนี้มันเป็นอุบาย เราหรือไม่แต่เดินจงกลมนะเรามีความรู้สึกกับการก้าวเท้าเดินเท้าสัมผัสกับพื้นนะอันนี้ก็เป็นวิธีการในะที่จะทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเรียกใจเนี่ยมาอยู่ ก, กับเนวกับตัวแต่ก่อนใจของเราเนี่ยมันจะไปกับความคิดมันจะไปกับอารมณ์โนะดยเฉพาะคนที่คิดเก่งๆคนที่ใช้ความคิดมากๆนะปฏิบัติแล้วก็จะเจอ โอ้โหมันทำไมฟุ้งซ่านขนาดนี้มันอยากมันไม่อยากคิดมันก็คิดนะกินกิยิ่งๆๆคิดเน่ยยิ่งดีนะเพราะว่าก <c oughs> ารที่เราเห็นความคิดมากมมันฟุ้งซ่านมากๆามั น, นสติมันเรื่อททำงานและนะ้วเพียงแต่ว่าสติมันกำลังยังอ่อนอยู่นะซึ่งจะเปรียบเทียบแล้วเนี่ยหนละพรเตียนนั่นใช้คำว่าความคิดเนี่ยเนะหมือนหนู สติเหมือนแมวนะตอนแรกๆเนี่ยหนูมันตัวใหญ่แมวมันตัวเล็กนะเรามาเจริญสติวันแรกๆเนี่ยสติมันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนะความคิดมันก็ผดโผล่ขึ้นมาสารพัดแหละนะสติเราไม่ทันแต่บางทีมันก็ลากเราไปเช่นเราคิดถึงเรื่องบ้านก็คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงคนนู้นคิดถึงันนี้เรื่องมันก็ยาวไปบางทีคิดไปถึงสิบเรื่องแล้ว ไม่รู้ทันเลยแต่พอเราทํำบ่อยๆนะเรามีความรู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวบ่อยๆเดี๋ยวคิดสิเรื่องมันจะรู้ทันเรื่องหนึ่งอีกเก้าเรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรไหนเะนี้ยมันเริ่มที่จะเห็นพัฒนาการแล้วไเพราะนั้นตรงเนี้ยนะเราใจร้อนไม่ได้ในการฝึกปฏิบัตินะเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะพยายามให้มีความรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆมันคิดได้คิดไปแต่เราไม่ตามมัน ไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวนาะเทคนิคง่ายๆอยู่ตรงเนี้ยไม่ห้ามไม่ตามกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเอากายเนี่ยเป็นหลักเอาการเคลื่อนไหวของกายเป็นหลักนะแรกๆมันก็ จ, จะเพ่งอาจจะจ้องอาจจะไม่พอดีไม่เป็นไรนาะซึ้นตรงเนี้มันเปจุดเริ่มต้นเรียกว่าให้กายเนี่ยให้ใจเนี่ยมันมาอยู่กับกายใจมีสติอยู่กับกายที่อาจารย์นุ่งศลป์นั่งในสูตรไว้ แต่ก่อนใจมันหลงไปกับความคิดนะมันก็เลยเกิดอารมณ์ต่างๆมากมายถ้าใจมีสติอยู่กับกายเนี่ยกายเนี่ยมันเป็นด้วยเหมือนก้อนมันซื่อมากเลยกายเนี่ยนะมันปวดมันก็บอกปวดมันเมื่อยมันก็บอกเมื่อยมันไม่โกหกเหมือนความคิดนะความคิดเนี่ยโหมันลุกลื่นมันเยอกแผ่เปล่ามากดัะนั้นการที่เรามาสัมผัสกับความจริงของกายเนี่ยนเราก็จะได้เห็นความจริงนาของจิตเข้าไปด้วย เพราะนั้นในขั้นเริ่มต้นของการปฏิบัติเนี่ยให้เราใส่ใจเจตนาที่จะรู้สึกตัวที่กายขึ้นไหวบ่อยๆแล้วก็อย่าไปหวังนะว่ามันจะต้องรู้ตลอดเวลาโดยพาะคนใหม่ๆอย่าไปหวังอย่างนั้นอย่าไปตั้งเข็มอย่างนั้นคือถ้าไปตั้งเข็มอย่างนั้นที่มันไปเพ่งไปจ้องเกินไปใหม่ๆเนี่ยมันรู้บ้างเผลอบ้างแต่เรากลับมารู้ให้มันเร็วมันถอแล้วแล้วไปเริ่มต้นใหม่ ให้เป็นความรู้สึกสดๆอยู่ทุกขณะนะเผอแล้วการที่เราเเรู้ว่าเผลอเนี่ยแล้วเรากลับมาได้นะั่นแหะเรามีสติแล้วแต่ก่อนเนี่ยเราไม่มีสติของเราจะไม่เต็มบริบูรณ์มันเผลอแล้วมันก็จะคิดไปเรื่อยสารพัด ส, สารเพนะแต่พอเราเริ่มมีสติเราเห็นชัดโอ้มันแค่คิดมันก็รู้ละโอ้มันคิดถ้าเป็นความคิดที่มันไม่ <c oughs> ไม่มีอิทธิพลมากไม่มีค่ามีราคามากไม่ใช่เป็นเรื่องประทับใจมันจะไปเร็วแต่ถ้าเป็นความคิดเรื่องใดก็ตามที่เราประทับใจแล้วมันหมกมุ่นคุ้นคิดเป็นเรื่องที่เราอยากจะแก้ปัญหานี่ไอ้นี่มันจะไปยากหน่อยความคิดตรงนี้นะแต่ก็ไม่เหลือวิสัยหลักนะให้เรากลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆนะตรงที่กายเคลื่อนไหวเมื่อเรามีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆ จากความรู้สึกน้อยๆแต่บ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันตื่นรู้ขึ้นมันจะมีความฉับไวขึ้นมันจะมีความละเอียดมีความแหลมคมขึ้นมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเช่นความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นนะอันนี้มันจะเริ่มเห็นและเริ่มสังเกตละนะหรือบางทีเรารู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะรรู้สึก เออมันยิบยิบๆิบยิ บ, ยบนะมันคันเนื้อคันตัวขึ้นมานะหรือกระพริบตานะเริ่มรู้สึกลมหายใจเออเริ่มรู้สึกเริ่มเห็นชัดนะคนที่ฝึกอนาบานสติมาเนี่ยนะนะก็จะเห็นชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้สึกที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยนะมันจะเห็นกายที่ละเอียดเข้าไปก็คือลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกการเต้นของหัวใจนะการกระพริบตาการขึ้นน้ำลาย มันก็จะรู้เข้าไปอย่างนี้นความรู้สึกตัวมันก็จะค่อยๆพัฒนาเข้าไปาจริงๆความรู้สึกตัวเราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เอามาฝึกฝนมันให้มันมีความฉับไวเรียกว่ามันไม่มีประสิทธิภาพแต่เมื่อเรามาฝึกมันก็จะมีประสิทธิภาพมันก็จะมีความฉับไวขึ้นเมื่อรู้กายชัดก็จะไปรู้สิ่งที่เป็นความรู้สึกขึ้น ที่กายนะภาษาบาลีเขาเรียกวเวทนานเวทนาบางทีก็รู้สึกเฉยเฉยก็มีนะและความปวดความเมื่อยเนี่ยกลุ่มที่ไม่คุ้นเนี่บางทีก็จะเกิดพอใจไม่พอใจนะนะเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาละเออตรงนี้ละ่ะนะก็เป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาสุขนี่มันทนได้ง่ายนะทุกขนี่ทนได้ยากนะภาษาที่เขาใช้กัน นะแล้วมันก็มีกันที่มันไม่สุขไม่ทุกข์อะมันเฉยเฉยอะเอออันี้มันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเริ่มเห็นออธรรมชาตินะ่ะของใจนะ่ะที่เขาแสดงออกมาธรรมชาติของใจที่เขาแสดงออกมานะแล้วเราทําไปเรื่อยๆทําไปบ่อยๆกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะ่ะมันก็จะเป็นเห็นสิ่งที่ละเอียดเข้าไปอีกนะก็คือความคิดปรุงแต่งนะความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นอาการหนึ่งของจิต แนวที่มันจะแสดงออกมานะมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดจยุกคิดจิกน่ะคิดสต่ละภจะคิดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยความคิดปรุงแต่งนี่แหละนะที่ทำให้เราดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจในสภาพต่างๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีการฝึกอย่างต่อเนื่องนะมันก็จะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นเห็นความคิดได้ทัน เขาบอกแสงเร็วที่สุดในโลกแล้วนะความคิดนี่เร็วกว่าแสงสิ่งที่เร็วความคิดความคิดก็คือความรู้สึกตัวซึ่งตรงเนี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินะมันมีคําภาษาไทยที่เราชอบเรียกกันว่า ik, ik, ระลึกนึกคิดระลึกนี่มันจะมาก่อนนึกแล้วคิดมันมาทีหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นระลึกนึกคิดเนี่ยระลึกนี่มันมาก่อนเพราะนั้นระลึกเนี่ยมันเป็นมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นอาการกจิตที่มันไวมาก แต่เพงแต่เราไม่ได้ฝึกเนี่ยมันได้เฉื่อยอตาตมาสังเกตว่าสมัยเราเด็กเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่สังเกตจากตัวเองว่าจะไม่ว่าสมัยเด็กๆ็กเนี่ยเราเรียนรู้โดยใช้สัมผัสนี่แหละด้วยการระลึกนี่แหละเราไม่ได้ใช้ความคิดอะไรมากไฟมันร้อนน้ำแข็งมันเย็นเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยนี่คือความรู้สึกตัวใ น, นซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบการศึกษาที่เราได้เรียนมาเนี่ย มันทิ้งเรื่องนี้ไปเราไปเน้นตรงคิดหายเหตุนะผลเพราะฉะนั้นใช้ความคิดมากพอเรามาปฏิบัติทำเราก็ใช้ความคิดอีกอะซึ่งตรงเนี้มันทําให้เป็นอุปสรรคขวางกัน้นนะเอ๊ะความคิดมันเป็นยังไงนะเอามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยคือไปใช้ความคิดเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยทิ้งเลยนะไม่ต้องไปคิดเลยนะแล้วไม่ต้องไปกลัวนะเดี๋ยวจะไม่มีความคิดกลับมารู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวนี่แหละนะ ตรงนี้เป็นสัมผัสเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาของการที่เราจะศึกษาไปเข้า <c oughs> ไปรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราโดยอาศัยเครื่องมือก็คือความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็อาศัยการทำบ่อยๆนะโดยเฉพาะรูปแบบที่เราทำกันอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยโดยหลวงพ่อเทียนนะท่านได้นำเสนอไว้เมื่อห0สิปีที่แล้วนะเป็นรูปแบบที่เหมาะกับคนในยุค ป, ปัจจุบันนะเพราะว่า ชีวิตของเราเราจะไม่อยู่นิ่งๆเราต้องเคลื่อนไหวเราอาศัยการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นเป็นอุบายที่จะผูกจิตให้มันอยู่กับกายนะซึ่งวิธีเนี่ยมันก็จะง่ายนะสําหรับคนในเมืองคนที่ใช้ชีวิตประจําวันที่มีการเคลื่อนไหวเพราะนั้นการที่เรามีความรู้สึกตัวจากกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่มันละเอียดเข้าไปอาจจะเป็นความรู้สึก สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ความคิดปรุงแต่งต่างๆนะอันนี้เป็นส Grande ิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนี้เองเมื่อเราเรียนรู้ความคิดในรูปแบบต่างๆแล้วเนี่ย น, นะมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะโดยเฉายิ่งคนเริ่มเต้นใหม่เนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เ ร, ราเรียกว่านิวร์นิวร์ในภาษาบาลีแปลว่าเครื่องกางกั้นกั้นอะไรกั้นไม่ให้เรา รู้ความจริงของกายของใจนะตัวที่เบนชัดที่สุดคือควา ม, มง่วงนะมันจะมาเลยมันจะมาเสนอหน้าเลยนะมันจะมาครอบงำเราเลยนะไม่เรายกมือไม่เราเดินจงกลมนะถ้าเรายอมจำนนก็เรียบร้อยเลยเพราะนั้นมีวิธีเดียวคือฝืนมันไม่ทำตามมันกังวันแล้วไม่นอนกลางคืนนอนนะ เพรั้นความม่วงเนี่ยเป็นนิวรตัวตัวเด่นมากที่มันจะมาแสดงมาซึ่งซึ่งอันนี้เป็นธรรมะนะอย่าไปปฏิเสธนะหลายคนเนี่ยมาฝึกปฏิบัติแล้วไม่อยากให้มันง่วงนะแล้วก็อยากให้มันตื่นนะบางคนก็ชงกาแฟนะหรือหาอะไรกินที่มันจะตื่นตัวขึ้นมาซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นอาศัยเรื่องภายนอกแต่ถ้าเอาศัยใจที่เข้มแข็งแล้วก็พยายามใช้อิยาบท แก้ไขเช่นเรานั่งแล้วเ่วงเราก็เดินเราเดินแล้วมันยังเ่วงอีกเดินถอยหลังเดินช้ามันเ่วงเดินเร็วนะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาวิธีแก้มันนะความเ่องเนี่ยมันจะเป็นสิ่งตรงข้ามกับความตื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสังเกตดูเราฝึกเนี่ยเดี๋ยวมันเ่องเดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันง่วงเดี๋ยวมันตื่นเออสังเกตดูอย่างเงี้ยนะมันไม่งื่องตลอดหล่กเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่องเนี่ยทําให้เรารู้จักความตื่นเนีมันพลิกกันไปพลิกกันมา อันนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอุบรรคจริงๆภาษาก็าใชว่าอุบรรคก็ตามแต่อุบารคเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนมันจะกลายเป็นคุณประโยชน์ได้เหมือนความฟุ้งซ่านเหมือนกันความฟุ้งซ่านเนี่ยก็คือเป็นเป็นปรากฏการณ์ของจิตที่มันจะต้องคิดเราคุ้นเคยกับการคิดถ้าเรารู้ทันเราไม่สนใจ กลับมารู้สึกตัวเนี่ยหรือมันก็ไปแนวความคิดเนี่ยหรือมันก็มาอีกแล้ํากลับมาอีกมันก็ไป ม, มันก็ ม, นกมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรง น, นี้เนี่ยเราเรียนรู้สิ่งที่เราเรียกว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะเรียกว่านิวรธรรมนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีบางคนอาจจะสงสัยลังเลเอ๊ะอันนี้มันใช่ไหมมันถูกหรือเปล่าความรู้สึกตัวเป็นอย่างนี้ไหม น, นี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้เพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็ตามอย่าไปอย่าไปสนใจมันกลับมารู้สึกตัวอย่างเดียวผ่านให้เป็นผ่านนะบางคนเอ๊ะทำไมเราคิดมากไม่อยากจะคิดเลยไอ้นั่นนะเป็นความคิดซ้อนความคิดขึ้นมาอีกเพราะนั้นมันอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยยอมรับมันหมดทุกอย่างเลยนะแต่คำ ว, ว่ายอมรับในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงเราไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นกลับมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวนี่ก็จุดสาคัญ เป็นเครื่องมือที่จะให้เราออกจากอุปสรรคต่างๆและจะทํำให้เราเสติมันจะมันจะฉับไวขึ้นและพอสติมันฉับไวเนี่ยปัญญามันมาพร้อมกันหมดนะเราก็จะเห็นความแปลเปลี่ยนของสิ่งต่างๆเช่นความน่วงเดี๋ยวมันก็น่วงเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็น่วงเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราเลยนะซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นสิ่งที่เราเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองนะคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น นะให้เราเรียนรู้เพราะฉะนั้นเพียงแค่เรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะไปเห็นเวทนาจิตทําพร้อมกันไปเลยปุ๊บนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการกระทําอย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นรูปแบบเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะอย่าไปดูถูกมันนะจะเป็นเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะ ก, ก็ดีนะตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือสําคัญและโดยเฉพาะยิ่งที่เรามาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยควรให้เวลากับเรื่องพวนี้จริงๆ เมื่อเช้าหลวงพ่อพูดอุทิศชีวิตกับเรื่องนี้เรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองนะอุทิศชีวิตเพื่อเพื่อการนี้เพื่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นพระกดีเป็นโยมก็ดีนะเราอย่าทิ้งเรื่องนี้นะถ้าทิ้งเรื่องนี้นี่ก็น่าเสียดายนะเป็นสิ่งที่จะใช้ติดตัวเราได้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสิ่งที่ สิ่งที่สำคัญทีนี้นอกจากการฝึกในรูปแบบแล้วสังเกตนะบางทีเนี่ยในรูปแบบเราก็เต็มที่เลยนะแต่พอเสียงะระฆังม่งหมดเวลาปุ๊บแอะสบายเลยเรารู้สึกสบายเลยเราก็พูดคุยกันอะไรกันลุ่งเล็งลุงเล็ ง, ลงเผลอไปแ ล, <c oughs> แล้วความรู้สึกตัวที่เราฝึกมาเนี่ยมันหายวุบไปเลยเขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราเรา เราเก็บสตางเนี่ยใส่กระปุกความสินพอเราเลิกปุ๊บเราก็คุยกันเราก็ทำนู่นทำนีน่ไม่สนใจแล้วมันไม่รู้สึกตัวกระปุกความสินแตกเลยสตางหายหมดสติหายหมดเพระาะฉะนั้นจุดสาคัญก็คือว่าเมื่อหมดเวลาเนี่ยไม่ได้หมดเวลาการเจริญสตินะให้เรามีความรู้สึกตัวกับการที่จะทำกิจกรรมต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเดินไปดื่มน้ำปานะการไปที่พักเก็บกวาดเช็ดถู ด, ด้วยความรู้สึกตัวอาบน้ำด้วยความรู้สึกตัวนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้การเจริญติดของเราเนี่ยมีความต่อนเนื่องนะถ้าเราไปเอาแค่ในรูปแบบอย่างเดียวเนี่ยมันขาดความต่อนเนื่องและจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้การการศึกษาของเรามันจะเน่นชา้า เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยพยายามพยายามที่จะมีความรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตั้งแต่ตื่นยันหลับเรียกว่ามีสติไปในกายทุกเมื่อนะซึ่งคํานี้เนี่ยหลวงพ่อคําเขียนใช้บ่อยๆถ้าสังเกตนะซึ่งก็ไปตรงกับในในคำพูดของพุทธองค์เธอจงมีสติทุกเมื่อทุกเมื่อนี่คือทั้งในรูปแบบนอกรูปแบบเข้าห้องน้ําอาบน้ํา ตักอาหารกินข้าวหลับนอนให้มีความรู้สึกตัวบ่อยๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านอาจารย์ทองศิลป์ก็พยายามที่จะเน้นตรงที่ว่าให้พวกเราในยพยายามงดการพูดคุยนะเพราะการพูดคุยเนี่ยการที่จะพูดออกมาเนี่ยมันจะมีความคิดละซึ่งเราไม่รู้ตัวและพูดไปเนี่ยมันก็เผลอไปละเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะไปตรงกับสิ่งที่ในในโอวาทะม ปฏิโมกอันหนึ่งบอกว่าให้อยู่ในที่สงบสงบนะให้อยู่ในที่สงบสงัดการอยู่ในที่สงบสงัดเนี่ยมันจะได้เห็นกายเห็นใจเราชัดแต่ถ้าเราอยู่แบบคลุกคลีกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มเนี่ยมันก็จะโผลนไปกับเรื่องที่พูดที่คุยนะกับเรื่องสังสรรค์เฮานะตรงนี้เราก็จะไม่เห็นกายเห็นใจของเราแล้วมันก็จะเริ่มช้าเพนะราะนั้นตรงนี้เนี่ยคนทีม่มาฝึกปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยอาจาต้องศิลปนั้นพยายามจะให้เราเนี่ย พยายามนุ้ดพูดคุยพยายามอยู่คนเดียวปลีกคู่เลขคาว่าปลีกคูเลกตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเห็นเห็นกายเห็นใจเราชัดและความรู้สึกตัวมันจะชัดมันจะคมขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราอย่าประมาทอย่าประมาทในการใช้ชีวิตคิดว่าเออเดินจงกรมวันละสองชั่วโมงพอแล้ววันละห้าชั่วโมงพอแล้วอยู่ที่นี่นะตั้งแต่ตื่นยันหลับเลย แล้วถ้าเราทำแล้วติดตัวเป็นนิสัยนะมันจะเกิดนิสัยใหม่นิสัยแห่งความรู้สึกตัวและเดี๋ยวเราไปทำงานเนี่ยมันจะติดนิสัยไปตั้งแต่ตื่นอย่างหลับงานซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าในโลกในสังคมเนี่ยมันมีสิ่งที่ดึงให้เราเผลอได้ง่ายเพราะนั้นการฝึกในรูปแบบนี่ก็จำเป็นนะนอกรูปแบบก็อย่าทิ้ง พยายามใส่ใจที่จะมีความรู้สึกตัวในกิจกรรมทุกๆกิจกรรมนาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้การเจริญสติของเรามีความต่อเนื่องและความรู้สึกตัวมันจะตื่นตัวเมื่อความรู้สึกตัวมันตื่นตัวแล้วเนี่ยเขาจะทํางานของเขาเองที่เราไม่อยากคิดเนี่ยที่เรามีความคิดมากๆเนี่ยนะถ้าสติมันตื่นเนี่ยมันจัดการกับความคิดจัดระเบียบความคิดได้อันไหนไม่อยากคิดมันก็ไม่คิดอันไหนที่มันจะคิด เอามาทําการทํา ง, งานมันจะเอามาใช้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะนั้นคนที่คิดมากๆเนี่ยให้เจริญสติมากๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่มีความคิดแล้วทําไงไม่ต้องไปกลัวแหลนะไม่ไปกังวลเปล่าๆเพราะนั้นคนี้เจริญสติเนี่ยเขาจะเขาจะทันกับความคิดความคิดที่ยิบยิบเย่อย่ความคิดที่เราไม่ตั้งใจจะคิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะไปงั่นเอง แตนะ่พอเราทำการทำงานเราจะใช้ความคิดมันจะเอามาใช้พอใช้เสร็จมันก็เก็บสติก็จะทางานอย่างนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะในการทำงานในการใช้ชีวิตแล้วก็ดยเฉพาะคนที่คิดมากแล้วนอนไม่หลับเนี่ยนะถ้ามาเจริญสติเนี่ยมันจะแก้ได้ไม่ต้องไปใช้ยาเลยนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้นาะจากการที่เราฝึกเพราะนั้น สิ่งที่เราฝึกเนี่ยนะเป้าหมายของการที่เราฝึกนั้นก็คือการที่เราให้มารู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวใจคิดนึกเมื่อเรารู้เท่าทันนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดการปรับความพอเหมาะพอดีเรียกว่าปรับสมดุลของกายใจนะกายใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นปกติอย่างที่เรานั่งฟังอยู่ตอนนี้เป็นใจปกติเฉยๆถ้าเรามีสติอยู่บ่อยๆเนี่ย เพียงแค่อะไรเข้ามาทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมามันจะเห็นทันแล้วเออมันเกิดขึ้นแล้วพนัญหาคนบางคนที่เป็นคนคิดโกรธแล้วไม่อยากโกรธเนี่ยคิดว่าไม่อยากโกรธมันมันแก้ไม่ได้แต่ถ้าเราความทําความรู้สึกตัวบ่อยๆมันจะเห็นแล้วแค่กลุ่นๆขึ้นมามันจะเห็นละกลุ่นๆขึ้นมามันยังไม่ทันโกรธมันรู้แล้วหรือบางทีมันโกรธขึ้นมาปุ๊บนี่มันจะหายได้ไว เพะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกการทำบ่อยๆ อ, อย่างต่อเนื่องนะซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของกายใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้มาเรียนรู้กันสองวันสามวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าไปปฏิเสธมันนั่นคือบทเรียนให้เราได้รู้ให้เราได้ปรับแก้อย่าเป็นความง่วงความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเล ความรู้สึกไม่สะดวกสบายมันอึดอัดเราเรียนรู้แล้วก็ปรับปรับกายปรับใจด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวปรับสมดุลเพราะนั้นการฝึกอันนี้เนี่ยเราทำเพียงอย่างเดียวคือรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวแล้วมันจะเป็นใจที่คิดนึกแล้วพอเห็นใจที่คิดนึกเนี่ยเดี๋ยวสติมันจะทำงานมันจะปรับแก้ของมันโดยอัตโนมัติ นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยความทาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สังเกตนะสังเกตบ่อยๆเรื่อยๆให้กำลังใจตัวเองด้วยนะถ้าเกิดท้อถอยขึ้นมาให้กำลังใจตัวเองนะโดยที่พยายามอดทนนะใช้ความอดทนใช้ความเพียรนะที่จะทาอย่างต่อเนื่องมีความศรัทธานะที่จะทำต่อไปนะมีเวลาหลืออีกสี่วันห้าวันก็ทำเต็มที่ กลางวันไม่นอนกลางคืนนอนอย่าไปกลางคืนไม่นอนกลางวันนอนนะไ <c oughs> อ้ น, นั่นมันผิดเวลาแล้วนะนะมีบางคนเหมือนกันนะทําแล้วตืน่นโอ้กลางคืนตื่นแล้วมันไม่หลับเลยนะ น, นั้นก็เกินไปนะตรงนั้นมันก็จะทําให้ให้ให้เสียสมดุลได้เพราะฉะนั้นเราทํากลางวันนี้เราไม่นอนกลางคืนเรานอนแต่เราก็ทําอย่างต่อนเนื่องใช้เวลาทุกเวลานาทีเนี่ยให้เป็นเวลา แห่งความรู้สึกตัวเป็นวินาทีแห่งความรู้สึกตัวเผลอบ้างรู้บ้างไม่เป็นไรนะแต่ให้มันรู้กลับมาบ่อยๆตรงนี้มันจะเกิดนิสัยใหม่นิสัยแห่งความรู้สึกตัวซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยเป็นเรื่องที่ทำได้นะเพียงแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อนะแต่คิดว่าหลายคนผ่านมาถึงวันนี้แล้วก็ไม่ท้อแล้วล่ะนะเรียกว่ามีประสบะการณ์ผ่านมาพอสมควร นะปวดเมื่อยอะไรทั้งหลายเท่าที่ฟังเมืนะ่อตอนเย็นนี้ก็หลายคนก็เริ่มจากเนืองมากกับเนืองน้อยลงจากเคยฟุ้งซ่านก็รู้เท่าทันมากขึ้นนะหรือบางคนบอกโอ้ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นที่ฟุ้งซ่านมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าเราเริ่มเห็นอะไรชัดเจนขึ้นนเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยเพราะว่าเราไปสนใจเรื่องนอกนอกแต่พอเราเห็นฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยแต่เรากลับมารู้สึกตัวได้ทันไหมล่ะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญเนาะเป็นสิ่งที่ มันจะเป็นตัวบอกว่าเรามีพัฒนาการแต่งอะไรก็ตามนะถ้ามันไม่พัฒนามันรู้สึกว่ามันเดินไปไม่ถึงไหนก็ไม่เป็นไรอย่าพิ่งท้อนะพยายามที่จะเดินต่อไปเรื่อยๆแต่บางทีมันก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะก็ให้รู้แล้วกลับมารู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเนี่ยที่กายเนี่ยเป็นฐานไว้อะไรเกิดขึ้นกับมันตรงนี้นะซึ่งหลวงพว่อคําเขียนใช้คำว่าเป็นเหมือนที่หลบภัย มันเป็นป้อมปากการนะที่เราจะสามารถที่จะหลบหลีกอารมณ์ต่างๆได้นะที่จะผ่านอารมณ์ต่างๆได้เพราะนั้นอารมณ์ต่างๆก็ดีความคิดปรงุงแต่งก็ดีให้เป็นบทเรียนที่เราจะผ่านนะด้วยความรู้สึกตัวแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีปัญญาไปพร้อมกันนะปัญญาที่จะเห็นความจริงของกายของใจนะที่มันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันมีการแปลเปลี่ยนเหมือนธรรมชาตินะ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวลมพัดเดี๋ยวลมนิ่งเดี๋ยวมีแสงแดดเดี๋ยวไม่มีแสงแดดนะอันเนี้ยเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นกายใจของเราเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันเหมือนธรรมชาติข้างนอกนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้นะโดยอาศัยเครื่องมือที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนะที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าสันติสุข ในภายในจิตใจสันติสุขก็คือความเป็นปกติของใจอ่ะที่มันมีอยู่แล้วเราไม่ไปสร้างขึ้นมานะความเป็นปกติมีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่เห็นเพว่าเราไปหลงอยู่ในอารมณ์อยู่ในความคิดต่างๆเผลอไปไปยึดเป็นตัวองค์นตนไปยึดเป็นตัวเราสุขของเราทุกของเราเราเจ็บเราปวดนะมันมีตัวเราเข้าไปแทรกทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราเห็นชัดๆแล้วเนี่ย มันเป็นอาการธรรมดามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเองมันไม่มีตัวมีตนของมันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความแยบคายเนาะดูบ่อยๆแรกๆมันก็ดูไม่ออกล่ะดูมันไปบ่อยๆดูซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะนั้นการฝึกเจริญอติเนี่ยวิธีการเนี้ยง่ายนะแต่ให้มันเด่นชัดให้มันต่อเนื่องมันยากตรงนี้เพราะนั้นบางทีคนที่ฝึกมานานๆแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะว่า เราไม่ได้แยบขายแล้วไม่ได้ทำบ่อยๆซ้ำๆต้องอาศัยทำบ่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆมันจะเกิดความชำนาญขึ้นมาสติมันจะพัฒนาขึ้นมาบางทีมันก็ดูพัฒนาขึ้นดีบางทีมันก็ด้อยลงไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้แหละเนาะแล้วเราก็ให้กำลังใจกับตัวเราเองเรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนาเสนอนะกับพวกเราในวัะนั้น การฝึกเจริญสติการเรียนรู้เรื่องกายใจเนี่ยรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นปกตินะด้วยความรู้สึกตัวนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งสาคัญอะไรเกิดขึ้นก็กลับมารู้สึกตัวแค่นี้นะมันมีเคล็ดลับอยู่ตรงเนี้ยบ่อยๆนะแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ดูมันไปเรื่อยๆนะก็เป็นผู้ดูไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดไปนี่ฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะก็พูดไปเรื่อยๆนะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจกับพวกเรานะทุกคนนะที่มาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกต้แห่งนี้แล้วก็มาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนะและเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากที่สุดนะแล้วถ้าเราศึกษาได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ย หลุดพ้นจากความหนักอกหนักใจาจากความเครียดจากสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหาในจิตใจของเราได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาพิสูจน์กันเนาะอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ลองไปพิสูจน์ดูซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะพิสูจน์ได้อะไรในเทือกสุดนี้ก็ขอห้างอิงเอาคุณของภาษีรัตนไตรก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ นะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในเราทุกคนพระธรรมคือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงหรือปรากฏนะให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะและก็พระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติที่เราได้ทํากันอยู่ในขณะนีนะ้ด้วยความเพียรพยายามด้วยความอดทน นะด้วยความศรัทธาของพวกเรานะก็คงจะเป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้เราได้เห็นความจริงของชีวิต <c oughs> เห็นความจริงของจิตใจนะที่เป็นปกติอยู่เสมอๆนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นสันติสุขสันติภาพนะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราในปัจจุบันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร